สองอันทักการวักสิกาขาบทที่สองว่าด้วยการยืนกับชายในที่กำบังเรื่องวิกษณีอันเตวาินีของพระพัฒกาปิลานีแปดร้อยสีสิบสองสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคโคเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอรารามของอนาถาบินธิกะเสถียรเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้น ชายผู้เป็นญาติของภิกษุณีผู้เป็นอันเทวาสินีของพระพัฒกาปิลานีเดินทางจากหมู่บ้านไปกรุงสาวัตถีด้วยธุราบางอย่างลำดับนั้นภิกษุณีนั้นคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามยืนเคียงคู่กันสนทนากันสองต่อ2กับชายในเวลาค่า ม, มืดไม่มีประทีปจึงยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างในโอกาสที่กาบัง บรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าชไนภิกษุณีจึงยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้าง2ต่อ2กับชายในโอกาสที่กําบังเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ